แต่มันไม่ได้พูดนานนี่ก็ต้องอพูดให้ปังๆให้น้อยนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะพูดหลงหน้าหลงหลังแลนะผมสัญญาที่รำมาใช้นี่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเครื่องมือมันชำรดเทศมันทำให้หลงหน้าหลงหลังมั้งนะจับต้นทนปลายไม่ถูกแล้วมันค่อยเป็นน้ำมันไปแล้วเพราะเทศนี่ไม่เอาสมมุติไม่เอาขันมาใช้ อ, อะไรมาใช้ขันนี่เป็นนิพานได้เมื่ อ, อไหร่น่เดีย๋ยวนามาใช้มันก็ เหมือนอย่างเราใช้รถเนี่ยเครื่องนั้นเสียเครื่องนี้เสียอันนั้นเสียนี่เสียในรถคันเดียวนั่นเสียไม่สุดไม่สิ้นนี่ก็เหมือนกันเท่นมันทําให้มันทักหลงหน้าหลงหลังไปลเลยคันสุดลงเรื่อยๆนะควายแต่จะหลงยิ่ง ม, มีข้อเปรียบอยากอุ้มวา ว, วามาลแล้วหลงลืมไปเลยเป็นไปน่หะดูได้ชัดตัวนี้มันเสื่อมมากจริง เรื่องคิดเรื่องนั้น่งนี้ไม่อยากยุ่งเลยนะเดีนี้นะถึงขนาดนั้นนะทนกับทนไม่ไหวทนไปก็ไม่นันเหมือนเหมือนดึงสายยางออกดึงไปพอหลุดมือนี่ดีทับเข้ามาดึงไปดีทับหุดท้ายดึงไม่ออกนี่ความคิดความปรุงความคาดความหมายเป็นตั้างาหลงเนียมันขี้เกียจมันเห็นได้ชัดทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอยู่คนเดียวเท่านั้นพอ าบางสามหมอนี่เข้าแล้วเข้าซอกแทกมันเข้าไปซอกเขาเนี้ยแล้วลงลงไปตรงนั้นตับก็เป็นบ้านตุงเชื่อกเป็นบ้านตาดภูวงเป็นภมเลที่เราเคยอยู่แต่ก่อนจากนั้นมาเราอยู่เรื่อยวันนั้น่ะไปเลือ่อยมาเลือเล่อยจนมาทางทางภูเหล็กภูเหล็กอะไรแล้วเนี่ยเเคยไปผ่านมาเรานี่บ้านผ่านมาเรานั้นส่วนมากมีแต่บ้านเราเคยอยู่แล้วทรงนั้นนะแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ บ้านที่เคยอยู่คือมันเป็นด่งเปนป่าทั้งหมดแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านเป็นเป็นเป็นนาไปหมดแล้วนะเช่นอย่างที่ที่ว่าอะไรที่เราผ่านมาที่แรกเขาแต่ไม่ได้ว่าบินตาบัตที่ที่บ้านใหญ่นี้บินตาบัตเขาเรียกบ้านไปม่วงบัานม่วงมีสี่ห้าหลังคาเรือนมาบินตาบัตนั้นเพราะได้อาศัยคอ ถ้าอยู่ตีนเขาทางด้านตอนออกเป็นแต่ภูงุ่งอะทางด้านตอนออกบนถ้าตรงน่้นก็มีแต่ถ้ามันมันไม่เย็นส่วนมากก็ผมไปหน้าแรงนี่นะใบไม้มันร่วงหมดขึ้นไปดูไม่น่าอยู่ยังมาอยู่ที่อยู่ตีนเขาเลยแหละ อาศัยน like, ้ำน้ำเป็นปวงน้ำกรรมถ Flag, ันนะมันกลอยเลยกลอยไปเขาบอกว่าถ้า <sabes>, ถ <im> ้าก <im> ินนานๆนั้นท้องเสียก็วังนนะก็ไม่ไม่ได้กินเี่อันก็จะไปกินที่ไหนก็มันมีเท่านั้นน่าไม่มากนะมันไหลอยู่งั้นแหะไหลจั๊ดจั๊ดอยู่พอล้นไปนิดๆไปอยู่ใจมากก็น้องอยู่ใจมากไปอยู่นั่น บิณบาตบางวันเขก็ใส่ใส่บาทสี่คนบ้างสามคนบ้างที่จะใส่ใส่บาทให้ครบเหมือนนู้ไม่ค่อยไม่ค่อยครบนะนอนตื่นสายมากพวกนี้ <c oughs> <c oughs> เขานอนตื่นสายเขาสบายนะ ท, นที่พูดงอย่างสบายเราไปก็ใช้สายไปมันขนาดนั้นแต่ยังข้ายังไม่สุกกว่ีเดี๋ยวสุ่มไม่สุกก็เป็นไรแล้วก็เลาบิณฑบาตพอมาฉันกันแล้มัน นั่นก็สบายอยู่คนเดียวเก้งเยอะนะเก้งล้อมโคกเก้งอยู่ข้างที่พักของเราเต็มไปหมดพวกหมูพวกเก้งมีเสือก็มีแต่ไม่มาหาเราเนื้อมีที่ไหนเสือก็มีที่นั่นแหละอยู่นั่นก็สบายน้ำคนเดียวอินทบาท เกือบจะพูดได้ ว, ว่ากินข้าว เ, เปล่าทุกทุกวันนะบางวันก็มีมะขามเปียวเขาใส่บ้านใส่บาทเนี่ยโอ้ยมาใส่คําเดียวจนฟันจะหักเกือนั่นกัข้าว เ, เปล่าแล้วม ถ, ถ้าอย่างมากก็มีน้ําพริกนิดหนึ่งอะไรฉนนันพอแล้วก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แล้วไม่ได้เป็นกังวลจริงๆในหัวใจนะ ถ, ถ้าตั้งใจไปที่เช่นนั้น เราเคยอ ย, อย่างนั้นมาแล้วภาวนาดีนี่นั่งนี่ก็กงแนวเลยไม่มีคำศพไม่มีที่ว่าจะสงบกงกันนั่งเวลาไหนก็เถอะมันไม่ง่วงไม่ง่วงเดินยังคมก็เหมือนกันตัวเบ้าโ อ, โอ้ยทำบุญเพียรทั้งวันว่างนั้นเถอะกัางคืนก็เหมือนกันโดยมุ่งเอาสักกี่ชั่วโมงไม่คํานึงเน้ย ไม่ไปไหนอยู่ที่นั่นเลยเดนิดนจนคมนั่งสมาธิ่อหนาไม่มีใครตะกวนเลยนะตั้งแต่เราไปอยู่นั่นจนกระทั่งเราออกหนีจากนั่นไม่เห็นมีใครไปหาเลยเพราะเราไม่ไปหาใครเราจรึงไ ป, ไปอยู่ที่ฉนั้นใครจะไปหาส่วนบ้านตา บ, บ้านใหญ่นั้นเราไม่ไปห่างกันประมาณสองกิโลกว่าจากที่เราอยู่ไปนั่นจะสองกิโลกว่า แต่เราไม่ไปเราบอกให้บิ น, บ, นบาตรบ้านใหญ่ไดยแล้วบอกเราไม่ไปเลยบอกก็สบายแล้วจานูน่นบ้านตุงเจือกนูน่นบนเขาเมันมีถ้าแล้วขึ้นไปจากหลังถ้าขึ้นไปนู่นก็ขึ้นจากถ้ำขึ้นไปนู่นก่เป็นหลังเขามีน้ําซับนะมีน้ําซับน้ําซึมผักอันนั้นนี่เขาเรียวกว่าผักหัวพานะ่ะเต็มอยู่ข้างบน อาศัยกินนั่นแหละบ้านทุงเชี่ยวนี้จะมีประมาณครับถึงสิบหลังคาเรือนหนึ่งเขาก็ไปไปสร้างใหม่เขาเขาไปตั้งใหม่นะ <S <S สถานที่เห่นี้เป็นสถานที่สะดวกสบายบ้<ถ>านนี่แหละบ้าน <S <S ม่วงเนี่ยมันสังัดจจริงๆนะ ไม่มีอะไรเลยเงียบทางโยกมเขาทำให้นี้ยก็สบายเขาทำทางโกรมให้พอได้ดึงแขนสบายอเอาแคนะ่นั้นก็ไปทางโน้นไปทางน้องโจดดงดังนุ่นไปดูทำพที่นุ่นโอ้ยมีแต่ขี้ข้างขาวเหม็นจนไอเยน็นที่ศั แล้วว่าจะไปไปดูถ้าอถฒนั้นน่าอยู่เราจะอยู่ไปมันอยู่ไม่ได้นมะันขี่ข้างคาวมันมากขนาดนั้นนะ่ลงมาก็เลยมาอยู่ป่าช้าพอบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านป่าโจดวันนี้อะเา ว, ว่านั่นแหละน้องโจดบ้านลงบังเขาเขียนไวนะ้นั่นแหะเราไปอยู่แต่อยู่ใน น, นะนู่นในป่าช้านี่นี่มองไปทั้งทังที่เราก็อยู่นะั้นมันเป็นนาไปหมดเลยนะไม่มีคำว่า คำว่ า, าป่าที่เราเคยอยู่เนยะไม่มีเลยฟังสิมันเปลี่ยนขนาดนั้นะแถวนี้ผมอยู่แล้วนะไปอยู่แห่งนานๆหลายเดือนอยู่คนเดียวคนเดียวก็มาทางข้อเขียวดอนยาวเหล่านี้มานี้่าทางบ้านอะไรบ้านบกเตกรหรืออะไรโดงส้มโฮ ง, งส้มเฮงนี่มันี่จนกรทั้งมาทั้งวัดทางท่นวันทำเลนี่เป็นทำเล ท, เที่เราเที่ยวอยู่ตลอด ปีหนึ่งไปทางหนึ่งปีหนึ่งไปทา ง, งออกนั่งกับมานเนี่ยคำบิดคําบ่อนวันนี่บ้านคําบิดคําบอดบ้านคําบ่อนอย่างนี้บ้านคำบิ ด, บบบบบดผมลงมาจากภูเขากลัมาพังอยู่บ้านนี้ แ, แต่พังอยู่ทางโน้นอยูล่ละทางด้านตะวันตกนี่เป็นที่ของท่านอะไรท่านศรีล า, ท, าท่านเคยกะทัดที่นั่นอันนี้เึงไม่จะทําอะไรเลย ปพันเรื่องกันนานกั น, ก น, กนเป็นโคกสังัก ด, ดีบ้านคำบอยอยู่ทางโน้นบ้านคําบิดอยู่ทางโน้นเนี่ยในย่านกลางเนี่ยเราเห็นนิรัติว่าไปอยู่ครมันอดอาหารมาตั้งแต่เขานจนมีแต่หนังห อ, อกกระดูกลงมามาที่นั่นเขาไม่เห็นเราก็กแปลกจากนั้นคิดเป็นจานนั่นแหะ ช, ชื่อชื่จันลีเหมือนกับจันลีเนี่ยตาลีเนี่ยจะไปจังหันเนี tidak, him, ่ยที่ผมพูดมันถ้าสิ่งที่มันไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้นะมันน่าเป็นของมันเองผมลงมาจากภูเขามก่อนมีสนามหอกขาดูลงมามาพ่านที่นั่นเพราะนานเพราะมันมีทำเลที่พระเข้าไปอยู่ก่อนนั่นเราไม่ต้องสร้างต้องทําอะไรมันก็อยู่สะดวกสบายแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นอยู่เขามาจังหัน ผมบินตำบาด ท, ทางบ้านคําบ่อแต่ไม่ไปถึงคําบ่อนะไปบ้านเล็กๆน้อยๆติดต่อกับคาบ อ, อกมาท่านมัวกลับ ม, มาแล้วบ้านคําบ่บ้านใหญ่อยู่นะเป็นกี่มาวันนี้ น, ะนั่นแหละคําบ่อแต่ผมไม่บินจะบาดในหมู่บ้านใหญ่นะมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วแหละกลับพูดคําบีคาบอ่อเฉยละธรรมเนที่เราอยู่ไม่มีเลยมีแต่ทุ่งทั้งหมดมองไปแล้วหาหาที่เราอยู่ไม่เห็นไม่เจอทั้งๆแต่ก่อนเป็นป่าทั้งนั้นนะเมื่อเราเคยอยู่นั่น อันนี้อิจาเนี่ยจันลีเนี่ยแกกมามาจากขังูเป็นไเนี่ยผู้มันคือพร้อมกับเราแท้แอะเห้ยเห็นมเ้าเป็นคนจิก็หลกเล็กงได้ดอกยิ้มใจมันคือพร้อมกับเราแท้แท่เนีู่ป่วยบอกอ๋อผมได้ป่วยได้เลย่ะเออผมป่วยมันคือพร้อมกับเรากด้แยวเห็นจะนักงหักรูกโอ้ยกินลลายกินมะพรวว่าอก็อบางได้จะเป็นยังไงอ้วนเข้ามาตรฐานผนบอว่านมใจงวานี่พูดเถอะ โอ๊ตเขาบัดนั้นยังพร้อมความของเราได้แทนประกอกความเพียรมันเอาจริงๆนะไม่ใช่ทําเหรียนี่นะผมจึงไม่ได้สั่งที่ทาอะไรทั้งนั้นเนาะปัดกันสก๊อตเกียร์เดือดล้นล้นล้นล้นเลยต้งได้ออกพอดีบ้างมากผมไม่มีหรอกเข้ามาก็สั่งผมพููจริงๆนะคือมันปักสกับตียร์เดือดมันมันปักจริงๆรนี่นะจะว่าแล้วบได้หวังธรรมดายึกเอาให้มันได้เป็นพระรหัตพูดอ่ะบริลลินบร้เนะจะให้พ้นทุกท่านนี้ไม่ไม่เป็นอย่างอื่น ม่มีอย่างอื่นม่มีทั้งปีทั้งแรมมิจหุ้ผลเท่านั้นเองเ่านั้นงานการใดที่จะมาทาให้ราชานี้ให้มายุ่งนี่ไม่เลาทันทีเลยเพราะว่ า, าผมยังไม่ได้ทอย่างนั้ตั้งแต่ออกิบัติมาไม่ทาจริงไงตั้งๆ ท, ที่ไม่ขี้เกียจเหตุผลมันต้องบอกนี้แน่ไม่ทำนี่นะที่มาฟัดเขาหลีอยู่ตลอดตลอดตลอดตลอดเลยมันหนักมากเกี่ยวกับเรื่องอุตาหแล้วผ ม, มใสผมเป็นัน มาท่องเสียอายุว่าถึง40นะท้องเสียมันเสียมาตั้งแต่ปันา130แล้วผมรู้ชัดชัด30เริ่มเสียมาแล้ว11จากนั้นมาก็เรื่อยอยู่เลยมะฉันเราอดไปนี่มันก็ไม่ถ่ายจะเอาอะไรมาท่ายไม่มีอะไรถายพอมาฉันปับ๊บนี่นะพอตกใบใบมานี่ร้องท้องมันจะร้องโก๊ะเก๊ะโกเ ก, ก, ก๊พอ ขั่มมาเราอาเราตรนี้ทายออกหมดเลยไม่มีเหลือทายไม่ใช่ธรรมดานะถ่ายไม่ย่อยนี่นะฉันกำลังไปถ่ายมาเป็นอนั้นต์ออกมาเลยอ๋อนไม่ย่อยมันก็ไม่สนใจนะคือไม่เป็นอารมณ์ไม่ย่อยก็ไม่ย้อยเฉยยิ้มๆมันไม่เป็นอารมณ์พอถือพอฉันยึดป้๊ไปอีกไปอีกเลยนั่นเป็นงั้นนะนุ้นภายในใจนุ่นห่ะมันเป็นสิ่งสิ่งที่เด่นมากเกินกว่าที่เราจะมาเป็นอารมณ์กับสิ่งหัวนี้นะ อดไปนานเท่าไหร่นัานอจิตมันยิ่งไม่เหมือนจะเหาะจะบินเราพูดเป็นกันเองเราพูดจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะเหาะจะบินจริงๆจิตนะมันอัศาจรรย์เจ้าของเองยังอัศจรรย์เจ้าของวะมันสง่า ง, งามอะไรอย่างนั้น <c oughs> จ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยิ่งดึกเขาเท่าไหร่นี่เหมือนมันไม่เอาอีละนี่กนะ็ดึกเงียบเท่าไหร่นี่ยิ่งเหมือนกับว่าจิตนี่ครอบโลกธาตุทั้งหมดเลย ความรู้นี่มันเด่นนะครับเหมือนกับครอบโลกกับธาตุไปหมดนึ่งดูสิ่ังเวลาเวลาจะมาฉันมันถึงเด่นเหมือนกับที่ว่าทะเลาะกันอันหนึ่งไม่อยากฉันนีอันหนึ่งันจะตายคือทําไงถ้าขำมันจะไปไม่รอดบางทีเจ้าได้กะเอ้เนี่เราเดินไปทำหมู่บ้านมันจะถึงไหมนะ่าถ้าเราอยู่ไปถึงวันนั้นจะไปไม่ไปไปไม่ถึงไหมการเราจะพอไปถึงหมู่บ้านเนะี่ยยุบไปละไปก็จริงๆ จะถึงหมู่บ้านเขานี่แหมจะจะก้าวขาไม่ออกนะค่อยเดินไปแต่สําคัญพลังของกิตนี่มันมีมากครับไม่งั้นมันพองไปไม่ได้นะผมว่ามันนีมันเป็นเพราะพลังของกิตเมันเหมือนกระเบียรมันก็เบาเพราะอำนาจของกิตมันมันเหมือนก็มันมันหนุนอยู่จนทั้งที่มันก็เคลียจนจะไปไม่ได้นะส่วนเบามันก็เบาออกมาด้วยฉันพอได้กําลังนิดหน่อยแล้วเอาตอนนั้นออ จริงดึกมาเท่าไหร่นี่ยิงแหมอุดอาหารนี่ที่มันทําให้จิตมันมันละเอียดมันผ่องใสใจริงจรินี่มันเด่นมากจริงนะทางด้านสมาธิมันก็เด่นมากทา้งด้านปัญญามันก็หมุนติ๋วเลยพรอพอพอุดอาหารกันทั้งนั้นเราที่สายเร า, เาทั้งมันเป็นสมาธิทั้งบำเป็นทางด้านปัญญาการอุดอาหารไม่ถอย ความเพียรมันจึงมีตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดทั้งอีก่อย่างนั้นอ่ะไม่มีอะไรมายุ่งก็เราอยู่คนเดียวเรานี่น่ะถึงข น, นาดนั้นมีการประกอบความเพียรเพราะนั้นจึงเวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนมันจึงลำคาญตานันไปนี่ทำไงคนละคนก็นยกไว้แต่ว่าเตนานั่นั่ะมันเหมือนกันอย่างท่หนึงที่มันเครืองทาเครืองใจนะ อาจจริงๆมีจิตมันไม่ธรรมดาก็ติบำเพ็ญอยู่มันก็เห็นชัดๆมันเป็นเครื่องดึงดูดดืด่มตลอดนะ<ม>ดึกเท่าไหร่ยิ่งมันเหมือนจิตเหมือนกับวันโล ก, กะท่านี้ไม่มีมีจต่จตมันถึงขนาดนั้น น, น, นะเวลามันละเอียดพอนะ โลกกรานี่เหมือนไม่มีเหมือนก็มีแต่จิตที่ครอบไปหมดเลยครอบอย่างละเอียดละออยอย่างแบบอัศจรรย์นะพูดง่ายๆมันพูดไม่ถูกก็ยังยิ่เทศตะกีนนี่มันพูดไม่ถู ก, ถ, ก ถ, ถ้าจะนำออกมาพูดมันไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนก็พูดได้พอพอพ อ, พอเหมือนกับว่าเป็นเงาเงาท่านที่นําออกมานี่เหมือนพอเป็นเงาเงาไม่ไม่ใช่เป็นตัวออกมาตัวจริงมแท้ออกไม่ได้นะไม่เหมือนอะไรเลย เพียงขั้นดำเนินอยู่อย่างนั้นมันก็ยังเห็นไม่ชัดขั้นของปัญญาละเอียดลงไปแล้วอุ้ยแม่อาศจรนะมันไม่ขาดวักขาดตอนเรื่องความเพียนทั้งวันทั้งคืนมันไปอย่างนั้นมันเหมือนกับมันต่กันอยู่ตลอดเราเป็นตั้งเวก็ต่ยตลอดไม่มีกรรมการไม่มีการให้น้ำ มันก็พอต่อยเพราะมันต่อยด้วยความพอใจนี่นะแถวเรนนี่นมันเป็นผมไปทั้งนั้นแล้วอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวแต่ที่มันทําให้คิดไม่ดืมบางอย่างก็เช่นอย่างเวลาคนตายที่เขานิมนต์ปกุศล า, าก็กรเราไม่กินข้าวด้วยเขาก็นิมนต์ปกุชล า, าไม่มีพระอยู่เลยนี่นี่ทําไมเราก็เห็นใจเขาไปกุศล า, าคนเดียว กุศลาเสร็จแล้วก็มาสวดมนต์ให้เขาคนเดียวโอ้โหแต่กระสวดจริงเลยนะเพราะนั้นระยะนั้นเราความจําของเรามันก็นดีธรรมดาปกติสวดมนต์คนเดียวได้สบายกุสลาคนเดียววิลามาติกาเรียกไปทุกวันนี้มันมันคงจะหลงลืมไปหมดเลยแหละกุศลาทำมานี่ยวันนั้นไปสวดที่วัดโพก่อนจนลืมอ่ะสุดใจสวดวัดโพนทุกวันนี้ผมจบกกุศลาคนเดียวคงไม่จบเลยแหละ ความไม่ได้สวยมานานแสนานานนั่นด้วยความจําไม่เป็นผ้าด้วยแต่ก่อนหัวมันคล่องมันติดปากนีเวลาเขาตายเ น, นแถวนั้นอะอะไรนุ่นอะเขาอาไปเผาตีนเขาหนุนป่าช้าเขาอยู่นุ่นไกลนะจางหมู่บ้านนุ่นเป็นบ้านตงบังเนี่ยเขาตายแล้ว อ่าอ้นนี้เขาไม่ได้มันไม่ได้ตายอยู่ที่ที่บ้านถ้าตายที่บ้านปา่าช้าก็มีอยู่แทงนึ่งทําเลที่ผมไปผมไปอยู่ป่าช้าก่อเนยะทีนี้อั น, นี้มันตายอยู่ยทุ่งนาล่ะสิเขาไม่ขึ้นมาหน้าแรงเลยแหละแต่เขาไม่ขึ้นเพรานั้นแล้วก็าดูกำ น, นาเขาเลยแล้วได้ตายเราก็ไปกุศลามาติกาแล้วก็ไปเผาเขานไปรั้งตีงอดข้าวนะอย่างนี้มันก็ไม่ลืมกุศลามให้เขา กุชลาองเดียวกระส่วนม้วนเขาาต้องการอย่างนั้นจะทาไงมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะขัดเขาแล้วก็พอสวดได้เป็นอะไรไปก็บ้าเบาๆไม่ได้ว่าเสียงดังเหมือนนั่นก็ว่าขนาดเราเราพูดกันอยู่ดีเวลานี้อะกุชลาธรรมะกุชลาธรรมะเขาก็นั่งฟังนี่ขนาดนี้ส่วนม้วนก็เหมือนกันก็ส่วนขนาดนี้ นี่พูดถึงเรื่องความลาบากาเวลาเราอดอาหารนคนตายเขามาันเหมือนเป็นมาตธิการันอนี้เราก็เห็นใจเขายี่สงสารเขาจะทำไงเขาไม่มีใครกินก็มีแต่เราเขาก็มันก็จำเป็นที่ต้องเขาก็ต้องเกาะเนี่ยเราก็ต้องให้ความอบอุ่นแก่เขาก็ต้องไปไปไ ป, ไปทพาพระหนุนที่ว่า จนจะจะถึงธรรมชาติะนะตีนเขาหนุนเขาไปเผาท่านนั่งกวนนานกลางวันอกลางคืนผมเดินอยู่กรมอยู่นู่นไกลๆนู่นต้องไปหาที่โล่งนะหน้า น, นี่น้าใบไม้มันร่วงวต้องไปให้เขาทําทางคมให้ที่เตียนโล่งนู่นไม่มีอะไรปกคลุมข้างบนเพราะกลางคืนมันมองได้เห็นเห็นได้ครับบางทีมีงูมามันก็เห็นไม่ต้องใส่ไม่ต้องจุดไฟนะ ใครจะเอาไฟไปที่ไหนไปเพียงพอล่ะเทีนยนไขก็ไปเพียงอสองห่อก็พอแล้วพอได้ใช้เวลาจําเป็นเพราะเราเดินยังกรมไม่มีทางหุดไฟไม่มีเลยเดินนี่ตัองอ้งแต่หัว่าคำ่ำจนกระทั่งสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะมาที่พักร้านเล็กๆหล่ อ, อน่ามาไหว้พระอะไรสุดๆว่าแล้วเข้ า, าที่สมาธิจนเหนื่อยจนจะนอน แต่ผมพูดจริงๆนะปกตินิสัยผมนะผมไม่เคยนอนซ้ํา น, นะนอกจากทุกวันนี้อนุโลมมันเกินกระทั่งมันแม่จัดนอนก็อยาให้นอนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างงั้นนะโกงข้ามนะแต่ก่อนผมระลึลกไม่ได้เลยว่าผมได้นอนซ้ํอาอีกเนี่ยถ้าลงได้ตื่นนะภาพเท่านั้นแหละนี่เป็นนิสัยที่เราฝึกของเรามาแล้วตื่นก็เหมือนกับแม่เนื้อตื่นในพานนีนะ ถึงเลยทีเียวตื่นแบบเห็นภัยจริจนชินตอนนิสัยนี่กาดีนี่พอพอตื่นก็ประกอบความเพียรเลยมันมีข้อหนึ่งที่เป็นข้ออ้างอันเป็นอัดทำดีนะเป็นหลักถ้าไม่อิ่มมันตื่นขึ้นมาทาไมมันต้องมันต้องอิ่มมันต้องตื่นนอนอิ่มแล้วมันต้องตื่นหรอว่าไม่ให้มันนอนอิม่มนี่ครอมีแต่วความเพียนรนะี่น ถ้ามันเป็นลักษณะจะ ง, ง่วงก็ลมเดินนี่เป็นประจำนิสัยบางคืนเดินอู่นู้นในป่าชาเขานู้นบางทีก็ไปใส่ไฟให้เขาเขาคนตายแล้วก็ไปเผาแล้วก็ไปเดินกลมอยู่กับไปใสไฟให้เขาบางทีเขาเอาของไปไปเส้นคนตายมาใส่ตะกร้าไปแขวนไว้ ไปดูมันมีอะไรแล้วโอยตอนชา้าโยมไปามากินเรียบแ ล, เ, ลเป็นผีกินกันเส้นก็เงียบเลยเอาเรียบเลยนะบางทีเอางั้นมันมีแต่ของดีๆวะอนี่เรียนะรว่ออ า, วากรรมฐานแท้เหมือนผ้าชีลี้วมีอะไรกินได้สบายทั้งนั้นนุ่นหัวใจอยู่กับธรรมมันไม่ได้อยู่กับของเหล่า น, นี้นี่ละแถวนี้แหละผมไปคนเดียวคนเดียวนั่น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 ลุกจนถึงกับจะเป็นจะไปจริงเหมือนบา ง, างบางครั้งเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้นสำคัญที่ใจมันไม่ถอ ย, อยนี่อันนี้อันสาคัญมากนะพลังของใจไม่มีอ่อนตามเลยถ้าอ่อนตามก็แย่สิมันทําไม่ได้อะไรก็ตามถ้าลงจะกําลังใจไม่มีแต่นี่มันทำด้วย อ, อํานาจของกําลังใจเหอย่างที่ว่านั่งหามุ่งหาค่ําเหมือนกันมันเป็นพลังของใจ เป็นก็เป็นตายก็ตาพลังของใจมันเหนือชีวิตเลัจากตายก็ตายไปสิหนักถ้าไม่ถึงรวยานั้นแล้วยังไงก็ไม่ออกหัวขายก็ไมออกหนักฟังสิตาก็ตายสิตรงนี้เราจะยังไม่ถึงนู่นก็ยอมตายเฉยๆที่ได็ ด, ดเห็นทุกอย่างหนักเห็นทุกอย่างเต็มที่เมื่อทุกอย่างเต็มที่แล้วสติปัญญาเมื่หมุนอย่างเต็มที่มันก็เข้าถึงกันอ๋อ เขามาทุกข์ข่วอริยจักเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องถามใครแหละกี่นีอ๋อเป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นภัยต่อใครช่านจะเรียวเป็นของจริงถ้ายังมาเป็นภัยนั้นนี่ยังไม่พิจารณาทุกขสัตย์หรืออริยสัตว์ยังไม่รอบว่างนี่เลยนั่นแหละถ้าลงพิจารณารอบแล้วต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกันแหละว่าหนักมันเป็นจริงๆริงนี่ในหัใจ ไ, ได้พิจารณาอย่างนั้นเห็นอย่างนั้ น, น, นจริงจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราคาดเพียเดยวตามตำหลักตำลาน ตำราเราก็เรียนมาความใจในตะลาเป็นอีแบบหนึ่งโบว์เวลามเป็นความจริงขึ้นมาในใจของเราแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งแบบแบบที่ว่าแบบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นี่นี่เราตอนทุกข์มากๆนะมันสติปัญญามันได้มันได้ออกลวดลายก็ตอนนั้นไม่งั้นมันตายนี่ว่างไงนี่จนรู้ได้จนมาทั่งถึงว่าอยาอยากให้มันหายนะนัะ่ะฟังสิ ถ้าอยากให้มันหายแล้วอยากเท่าไรมันยิ่งทวีรุนแรงขึ้นน่าทุกข์เนานี้ไม่ดีทนไม่ไหวนะถ้าลงอยากแล้วหนักอ่ะแต่เราไม่มีคําว่าจะทนไม่ไหวไม่มีบางทีมันก็มันมนก็อยากให้หายอนี้มันเรื่อยๆเนชัดอยู่นั่นเมื่อมันอยากหาอะไรมันยิ่งกําเริบรุนแรงขึ้นมาหมืนเวลาเอาอยากให้อยากรู้ความจริงความอยากสองอย่างนี้มันผิดกันอยากให้หายมันเป็นสมุทัยความอยากนี้เป็นอะไอยากรู้ความจริงเท่านั้นี่มันเป็นมักหนัน ความอยาทั้งสองอย่างมันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างอยากพ้นทุกอย่างนี้ยมันเป็นมรรคอยากดูความจริงมันก็หมุนติว้วติ้วไปพอถึงขั้นมันจริงเต็มที่แล้วอ่าทุกกระสักแต่ว่าทุกเท่านั้นเองนะจะไหวอย่างอื่นมากกว่านั้นไม่ได้นะออทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ชนมากกับเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงงันอย่างนีน พักแต่ว่าพักแต่ว่ากาอันต่างอันต่างกินทุกกินทุกใจ ก, ก, ก็กินนิรุตรก็กินมากกว่ากินต่างอันต่างจริงแล้วไม่มีคําว่ากระทบกันนั่ะไม่ได้ตาหนิกันว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีทางกําหนิกันเลยเพราะมันไม่มีในหัวใจเ อ, เอาอะไรมาตําหนิมันชัดอย่างนั้นนี่ยอ๋อท่นานวัดทุกทนานวัดธรรมะเอาสัตว์อริยสัตว์เป็นของกินกินอย่างนี้เองนั่นท่าน เวลามันมันมันทรงของมันกับทรงเป็นทุกมันทรงเหมือนจิตมันก็ดับไปหมดไม่มีแล้วมันเป็นสองอย่างผมเคพูดทั้งสองผมเอนเป็นสองอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อมันทรงว่าทุกมันยังมีอยู่ก็ตามมันจะไม่เข้าไปถึงจิตได้เลยนะถึงเียว่าต่างอันต่างจริงสิเอ้จิตก็จริงอันหนึ่งไม่ไม่เข้ามากระเตือนกันไม่เข้ามาสัมผัสกัน มันจะทุกอยู่ขนาดไหนถ้าเราจะพูดว่ายิ้มยิ้มได้สบายเพราะมันไม่มีอะไรที่จะ ก, กระเทือนจิตไดม้มันเหมือนกับว่ามีกําแพงเจ็ดชั้นอยู่ในจิตจริง น, นี่ก็เป็นด้วยกําลังใจไม่งั้นมันทำไม่ได้นะกําลังใจนี่โหเหมือนกับว่ากัดเพชรขาดจะบ้านหอว่ากัดเหล็กขาดตัดเพชรขา ด, ขาด กำลังใจสาเหตุมันก็มา<อ>ตั้งแต่เรื่องความเชียดแฉนในสมาธิเสื่อมนอ่ะสาเหตุมันเราก็รู้สาเหต น, นทุกทจริงจริงหมดเวลาทุกทั้งกายทั้งใจนี่ก็มีธรรษ า, านั้นแหะผมผมเคยคุณหยูกูันตัง ขันสาที่สิบที่บ้านนามนลอันนั้นมันทุกข์ทั้งสองอย่างเลยนะร่างกายก็ทุกเต็มที่ใจก็หมุนเต็มที่นะใจแต่ไม่ใช่ใจนี่เป็นทุกเพราะทุกบีบคั้นนะคือมันหมุนต้อมันทํางานั้งมันเต็มที่มันก็ทุกอหิ่นการการทํางานด้วยสติปัญญาความตั้งอกตั้งใจหมุนที่อยู่ที่มันก็เป็นทุกข์กันของมัน เี่ยว่ามันมันคว้างมันทั้งสองอย่างมือถึงขัน้นปัญญาที่ว่าปัญญาอัตโนมัตินี่มันอันนี้เลยพูดไม่ถูกนะแต่ว่าร่างกายไม่ไม่ไม่บอกช้ำก็ไม่ได้นะ mm hmm. ก็เดินยังกรมันจนมันลืมทิศลืมแดนด้ว่าไง เดินตั้งแต่เช้านั้นเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงปัดก่อนมันจะไม่ทุ่งงร่างกายแต่มันก็ไม่เป็นกังวล น, นะเพราะจริงเหมือนกับว่ากายกไม่ตกแต่ใจนั้นมันหนิมันเหมือนอะไรธรรมจักรนี่ใจนี่ทราบได้ทราบได้ชัดว่าทำงานเต็มที่คุณไงนะใจไม่ทํางานเต็มที่ร่างกายทีนอนอยู่ก็นอนแต่ใจมันทํางานอยู่ถึงขนาดที่มันไม่หลับ แต่ว่าร่างกายมันมันไม่ทุกมากนกะกัาถูกเพราะเราไม่ได้ทนแบบไม่ได้ต่อสู้แบบทุกขเวทนาที่บ้านน้ำมนต์นั้นนันมีแต่ใจมันฟัด ก, กัน <S <S เดินยิงกรมมันก็เป็นไปด้วยความความเพลินไม่ใช่เป็นไปด้วยความทุกนะเราเดินยิงกมเนี่ยจนฝ่าเท้านี่ออกร้อนหมดเลยนะเหมือนกับไฟเนี่ยเหมือนกับไฟล้นเนี่ยๆิฝ่าเท้า ต, ตอนเราเดินนั้นเราไม่ค่อยรู้นะรู้นะโบเวลาหยุดจากเดินยังกรมแล้วถึงมันถึงรู้โอ้โหฝ่าเท้าออกร้อนหมดเลยมันก็ทําให้เราลึกย้อนหลังปับ๊บในอดีตอย่างท่านประกอบความเพียรอย่างพระโสนานท่านประกอบความเพียรจนฝ่าเท้าแตกนี่มันก็ทราบของมันเองนะไม่ต้องมีใครบอกแล้วแน่ใจด้วยว่าเป็นอย่างนั้นท่านเดินยังกรมยังไงถึงขนาดที่ฝ่าเท้าแตกถ้าไม่เดินแบบเดียวกันนี่นั่น คือแบบมันหมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันลืมทิศลืมการลืมเมื่อดืมแจ้งลืมเหน็ดลืมเหนื่อยไปหมดเพราะจิตทํางานในขั้นแล้วการเดินจงกมก็ต้องเดินทั้งมันเรื่อยไปนั่นฝ่าเท้าแตกได้พ่อมีเครื่องพาให้พาให้เป็นพาให้ร่างกายหมุนตัวเดินกระแต่กลับมานี่ของเราไม่แตกมันก็พอเป็นพยานกันได้ว่ามันออกร้อนเหมือนไฟล่นฝ่าเท้าหางไม่แตกนะ นี่มันก็พอเป็นพยานกันได้เพราะมันเป็นเองนี่ความเพลี่ยนอัเนี่ยมันหยุดเมื่อไหร่ในกรมไม่ไม่มีแล้วเวลามีเวลาถ้าลงได้กล้าก็ประธานกลุ่มโอ้โไม่มีเวลาเลยก็มันอยู่นี่ในหัวอกเหมือเตี้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยตาก็มืดนะตาเรานี่ก็มืดคือเมื่อจิตนั้นไม่ออกแล้วตามันก็เหมือนมันก็มีความหมาย แล้วเดินอยู่กรมมัเนี่ยทางมันก็เดินเข้าป่านะโคมค้างเข้าป่าแยบหนึ่งอ๋อเข้าป่าออกมาเดินไปโคมค้างถ้าเป็นคนน้ามีคนไปเห็นเขาจะว่าผมเป็นบ้าไปเลย mm hmm. นั่นแหะถึงขั้นมันขนาดนั้นนะ่ะนี่นํามาพูดนี่เต็มเม็เตตาหน่วยหมู่เพื่อนฟังนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างไง mm hmm. คนมาเห็นนี่เขาจะต้องว่าเราเป็นบ้า งันเดินกรมกับอยู่น้องผือกนี่ผมเดินผมไม่มีที่มุงที่บังนั่นเนี่ยทางไปมีสบาดบ้านอนันในน่ะจากวัดน้องผือไปบ้านอนันในน่ะทางมันงงแนว่วมันน่าเดินยกรมดีนั่นแหละเอาตรงนั้นแหลกแดดโอ้ยเปี้ยงเปี้ยงแล้ววะไม่ร้อนนี่ผ้าผ้าอาน้ําพับขึแล้วก็โผล่ีสาระมัดนี่มา ต, ติดคางนี่ ไม่ลืมอี่นะโอยมันเดินได้ตลอดเลยนะมันไม่รู้ว่าแล้วเมื่อแต่มันก็ไม่สนใจเพราะไม่ออกมาอยู่นี่มันออกมาอยู่ในฉะ น, นั้นนีกว่าเดินอย่างมจะตาก็มืดมันไม่ลืมนี่ไงลืมรูมม้มันไม่ออกก็เดินเข้าป่าโคมคามพโคมคามเวลายืนนี่นกับหมูเป็นชัออ่วโมงดืนกําหนดพิจารณานี่กับเป็นชั่วโมง จะให้เดินอย่างเรี้ยวปกปบ อ, อย่างธรรมดาแล้วมันไม่ได้นะถ้าเดิ น, ดดนแล้วโดนไม้ตายล่เดยอย่างนั้นแล้วก็เดินไปทางนี้มันอยู่อย่างนี้ของมันเดินมันเดินช้าๆไปโค้งค้างเข า, ขาป่านั้นเดินไปแล้วโค้งค้างเขาป่านั้นเลยมันกับพอโค้งค้างมันกับพอเป็นของมันอยู่น้ำท่าอะไรๆมันไม่สนใจนะ นู่นบางเวลาออกมาจากที่จากทันกลุ่มแล้วมองเห็นการน้ำโอ้โหเหมือนมันจะตายนะมันหิวน้ำกันเนี่ยลีนน้ำจะนั่นแล้วก็กรอกลงไปนี่อุกเกนไม่ทันสําลักกับกกักมันจะตายอ๋ขนาดนี้ไปเลยวะนั่นแหละความเพียนถึงขั้นมันเป็นเองอันนี้หมายถึงความเพียนเป็นเองนะหมวนไปโ้โ ติ่วติ่วติ่ววไนน้ก็เป็นอย่างนั้นคือ น, น, นอนไม่กี่ชั่วโมงหลับไปนิดหน่อยพอตื่นภาพดีถึงเลยนะแต่มันส่วนมากมันได้บังคับนะจิตคันนี้มักจะต้องบังคับให้นอนนะไม่บังคับมันไม่ยอมนอนจะวางไงถึงขนาดนั้นถนะึงว่าอุทธธจฉะมันเพลิน อุทจจะเราก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนในสัมยชนเบื้องบนเร่อุทจจะความฟุง้งซ่านบางลายยังมาแปลว่าความฟุง้งซ่านลำคาญไ ป, รปใหญ่เลย น, นิวรณ์ห้าอุทจจะกุกุจจานันมันเป็นมันเป็นนิวรณมันมีทั่วท่ไปในสามัญชนทั่วไป อุทจจะกูุจานอุทจะอันนั้นมันไม่ใช่นึง น, นะอุทจานั้นเป็นเป็นความเพลินในความเพียนในสังเวามนมันเพลินจนลืมพักผ่อนนอนหลับลืมพักผ่อนเข้าสมาธินัน่นไม่อยากเข้าสมาธิไม่อยากนอนมีแต่เพลินในความเพียนเนระียกอุทจจเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เอง จังหวะที่มันจะผ่านได้มันก็เป็นจังหวะที่แบบพอดีของมันมันก็ผ่านของมันไปได้ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ผ่านไม่ได้อีกเนี่ยเนี่ยมันไม่พอดีเนี่ยเป็นสังโยชน์เครื่องค้องอันหนึ่งเหมือนกันแปลว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องค้องมันไม่เป็นกับใครมันพูดไม่ได้น่ะว่า ธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะมาด้นมาเดาได้ด้นไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นเลยถ้าไม่เป็นไม่รู้ถ้าเป็นแล้วไม่ถามใครก็รู้อ่ะเน่ยนี่จึงว่าเป็นอัตโนมัติเป็นของตัวเองก็คือปัญญาขั้นนี้เป็นของตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรเลยแหละถึงขั้นมันเป็นตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวแล้วเป็นไม่ขึ้นกับอะไรเรื่องความรวดเร็วของปัญญาขั้นนี้เหมือนกันไม่เคยเห็นมันก็เห็นไม่เคยเป็นมันก็เป็นจะว่าไงมันเป็นอยู่ในหัวใจนั่น อะไรจะไปเร็วยิ่งกว่าปัญญาขั้นนี้ที่ฟัดกับที่เหลืไม่งั้นมันไม่ทันกันนี่จึงได้ทราบว่านี้เนมันแหลมคมละเอียดขนาดไหนว่างั้นได้เลยอืมถ้าไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้แล้วมันไม่ทันกันเนี่แต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันเป็นเองอะอันนี้เกิดอันนี้อันนี้กัเป็นเป็นเองนี่มันอันหนึ่งกกว่านั่นสิอันนั้นแยมมาพับเลยน่ะมันเร็วขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาเร็วถึงขั้นอันนี้อะปัญญาประเภทนี้มันเร็วมันก็รู้ว่าที่เหลือเร็วขนาดไหนได้ทจาก เมื่อมันอย่ันนี้ยังไม่ไม่ไม่เฉียยไม่แหลมไม่ไม่เร็วแล้วมันก็ไม่ทันกิเลสมันไม่รู้ว่ากิเลสเร็วสิพออนนี้เหนือแล้วมันก็รู้อ๋อกิเลสมันเร็วจริงๆอันนี้ก็ทันมันทันเลยะอัตโนมัติตัวเลยมันเร็วด้วยมันคมกล้าด้วยขาดจะบ้านไปเลยมันอันนี้พูดไม่ได้หนึ่งที่ขัอธิบายไว้ในตํารานั้นเนี่ยภาวนาญยปัญญา แล้วจะอธิบายอะไรได้อีกอย่างที่ผมพูดนี้ไม่มีนะในตำราที่ว่ามันต้องเป็นของตัวเองอะไรต้องเป็นของตัวเองต้องรู้ในตัวเองไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับอะไรนเมื่อใครเป็นก็รู้เองถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้แน่มันลําบากนะท่านภาวนาวยาปัญญาคือปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาว่างัน ที่นี่เมื่อออกเป็นความแยบคายให้เป็มเม็ดเต็มหน่วยของธรรมชาติภาวนาปัญญาปัญญานี้แล้วเป็นยังไงนั่นมันพูดไม่ได้ถ้าไม่เป็นแต่ถ้าเป็นไม่พูดมันก็รู้นี่สินี่แหละปัญญานี่เป็นปัญญาที่สังหารกิเลสโดยตรงโดยตรงโดยตรงเลยก็สามารถที่จะพูดยกขึ้นมาได้สิว่าบริจาคค่ากิเลสสังหารกิเลสภาษาวอกสังหารกิเลสด้วยปัญญาเพลนี่แหละว่างั้นเลย มันแน่นี่นั้นแน่ใจคือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นนะถึงขั้นมีละเอียดกิเลสมันละเอียดจริงจริงแหมหยาดที่สุดเลยธรรมดาเราไม่ทันไม่รู้เลยเพราะว่าเราถึงพวกเราสังขารยังไม่รู้ที่มันเป็นยังไงมันมันสวมรอยสวมรอยสงหลอยเราไม่ไม่รู้รู้หรือเพราะเพราะยังไม่ทันมันสิ พอทันแล้วอามันจะสวมไหนว่าว่างั้นนเยอยท่านลงอันนี้ได้รวดเร็วที่ว่าเป็นภาวนามยปัญญาอย่างเตียงใจถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานั่นแหละท่านเราปัญญาขั้นนี้เตียงใจแล้วเต็มที่แล้วนั่นมันเกิดขึ้นเป็นมหาติมหาปั ญ, ญญาออกจากนี้ไปแล้วหนุนเต็มที่ไปไปถึงขั้นมหาติมหาปัญญานั่นหลักขั้นนั้นแล้วอาวที่เร็วตัวไหนมันจะเร็วขนาดไหนวะว่างัา้นเลยออื อันนี้มันพร้อมแล้วพร้อมแล้วตลอดเวลาเนี่ยจะเร็วหรือไม่เร็วก็ไม่ทราบมันพร้อมมีตลอดเวลาเนี่ยว่าไงพอพับเลยนั่นนั่นมันเร็วกันนันั้นไม่มีคำว่าบังคับแต่กันนะบังคับได้ยังไงมันเป็นอัตโนมัตินี่นั่นอันนี้ที่สําคัญมากมันไห้เห็นนี่ดูสิไอ้ไอ้เรื่องว่ากิเลสมันจะพังจะพังจะบันไล่นี่มันบอกในตัวเองเสร็จเลยอย่างที่เคยพูดแว่าเหมือนกับเขาตีกาควัวหรือควายแตะตัวตัวนั้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 ถ้มันเป็นเราพูดยังไงเราเหว่าแม้แต่มันเป็นหนึ่งที่ว่านี่ยมันเคยเป็นมันนาพูเวลานํามาพูดนี่มันยังมันยังไม่เห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่มันเป็นนี่วะมันหุนได้เป็นเพียงเงาๆออกมามันขาดสะบั้นทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วโอ้พูดไปถูแล้วคาดทั้งนั้นคาดพระพุทธเจ้าขาดพระอรหันต ทิตของท่านบริสุทธิ์เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเออพระพุที่เจ้าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตพระอรหันต์นองน่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็คาดเอาทั้งๆังที่เราคิดเด็กเต็มว่ามันหลับตาคาดไม่ได้ไงว่าทั้งทั้งที่หลับตาดูก็หลับตาดูมันจะไปเห็นอะไรคนลืมตาต่างห่างดูมันต้องจะเห็นถ้าไม่ใช่คนตาบอดถ้าคนตาบอดแล้วก็ลืมตาก็ไม่เห็นต้องเป็นคนตาดีแล้วลืมตาดูด้วยมันต้งเห็น อันนี้กีเลสเต็มหัวใจมันก็เท่ากับคนเลือกคนหลับตาหลับตาพูดเรื่องนิพพานหลับตาพูดเรื่องจิจตพระอรหันต์หลับตาพูดเรื่องอะไรจิตบริสุทธิ์มันหลับตาพูดพูดมันยังข่ํามันก็ไม่ได้เรื่องจะว่างไงพอจิตเป็นนั้นสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นกระเทือนไปหมดในแดนของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะเป็นจี่มือนจี่ล้านล้านก็ตามเถอะกระเทือนถึงกันหมดทันทีเลย นั่นอันนันอแล้วอันนี้จะมาพูดได้ยังไงว่าสิ น, นั่นเป็นอยู่ในหัวใจนั่นในหัวใจไม่ต้องไปคาดมันเป็นเต็มเต็มที่มันแต่เวลาเราเรานำมาพูดดีสินี่นั่นหลักความจริงแท้เป็นอย่างนั้นเข้ากันได้ปัป๊บทันทีเลยอย่างที่ว่าพระ พ, พุทธเจ้าเป็นล้านล้านล้านพระองค์แล้วยังเขียนไว้ใน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 ความถนักใจของเรามันก็ขัดกันละสิยกตัวอย่างเช่นว่านะสร้างบูเทอีสัญจาวาลสัจจา์เจจนกระทั่งถึงสัมาุบูเทนวุตรัสสเตอัตตาตัดตาลีจตัสเกววิสิตาสหาสายนามิสีสร้าเนี่ยคือที่แราก็อาว่าพระเจ้าเท่านี้พระองค์ที่สองมาเท่านั้นพระองค์ที่สามมาเป็นลานเป็นล้านล้านพร แล้วนี่เขาเขียนไว้เหมือนกับเป็นฟุตโนตอะไรวข้างล่างว่าอันนี้มันมันเหลือจะคลืนหรืออะไร ก, ก็เขียนไว้ในหนังสือนั้นผมเห็ น, น, นเหลือจะคลือนองค์พระเจ้าเป็นล้านันนี่มันเห ล, ล, ลือเหลือเชื่อผู้ภาษาของเรานั้นน่ะแต่เขาก็ไม่กล้าพูดถึงขนาด น, นั้นงันเหลือจะคืนว่างั้นนี่ก็คือเขาเอาความพัถนัดใจของตัวเองไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปว่าเาซิอันนั้นเป็นความจริงนั่นน่ะคืนไม่คืนไม่เป็นไรภัย ก็มันเป็นความจริงอย่างนั้นนี่ใครจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้เห็นขึ้นอยู่กับผู้ใดธรรมชาตินั้นไม่ใช่เป็นผู้น้อยไม่ไม่ใช่เป็นน้อยต่อผู้ใด น, นี่นะพอที่ไปขึ้นกับนวนกับนี้ขึ้นกับความถนัดของคนเหนี่ยนนี่เป็นต้นเออก็พระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้แล้วแล้วองค์ที่สองมาแล้วทำไมไมันมไองค์นั้นมาตรัสรู้อีกทําไมไม่เป็นสองอะแต่ความเป็นองค์เดียวอ่ะพี่นาสิแล้วองค์นี้มาอีกจ ะ, จะเรียกว่าองค์เดียวได้หรือแต่ต้องเรียกว่าสอง แล้วองนี้มาตัดรูปถัดกันไปนี่จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสามใช่ไหมเรายกตัว ต, ต, ตัวนี่เรายัางคูบาอาจารย์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้นะองค์นั้นได้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นั่นองนี้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นนั่นมันไม่ไม่ใช่สองหรือนะแล้วเมื่อมากกว่านั้นจะเป็นยังไงอีกเมื่อสามก็ต้องสามสี่ก็ต้องสี่สี่เราจะมาว่าหนึ่งได้ยังไงถ้าเป็นสองไปจะจะเหลือเกินเหรอหรือถ้าเป็นสามไปจะเหลือเกินเหรอนั่นนะ่ฟังที่เกียบเอาหนึ่งนี่นะที่เหลือเกินยังไง ก็องนี้บรรลุที่นั่นองนั้นองค์นั้นไปบรรลุอยู่ที่นั่นเวลานั้นปีนั้นเดือนนั้นน่ะเนี่ยนั้นสองแล้วนั่นน่ะเราจะเหลือเกนเลยเฮ้ยน่าดีแล้วองนั้นองค์นั้นที่นั่นเป็นสี่เป็นห้าเข้าไปแล้วเหลือเกืนถ้าอาหารพันสองร้อยห้าสิบองเหลือคืนนั่นเลยอฮ้ยน่าดยังนี่จิตใจมันลงใครง่ายๆหว่าเอแล้วเอาความตัดใจเข้าไปว่าไปคืนเลยเออพระพุทธชจ้าเป็นหลักธรรมชาติ เป็นความจริงพระสงฆ์สาวกอรหัรหลานของพระพุทธเจ้าเถระโพธวงศ์เป็นความจริงทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับไข่เป็นขึ้นอยู่กับความจริงทนั้นให้ฟาลงไปนตรงเสียไม่เห็นแู้วสิพอเห็นนี่มันวิ่งถึงกันหมดนะว่าไงอืของไม่เป็นได้พระพุทธเจ้ามาสอนโลกได้ไงของเป็นได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้อย่างไงเมื่อบริสุทธิ์ได้ผู้นี้บริสุทธิ์ได้พู้นั้นบริสุทธิ์ได้เพราะเป็นเป็นความจริงนี่ทําไมใเป็นความจริงจะเป็นไม่ได้วะองค์นี้จริงผู้ใดซึ่งถึงขั้นความจริงก็เป็นได้ด้วยกันนะ อย่างพวกเรานั่งอยู่นี่เอาสิมันสําเร็จหมดในวันนี้ผมขออโฆษณาหน่อยนะแต่มันนี่มันสําเร็จแต่เสือแต่หมอนั่นที่มันน่าโมโหนี่หรือว่าหรือว่ามันสาเร็จไม่ได้เลยมันจะเหลือเกินนู่นนี่ก็ดีเพราะฉะนั้นถึงในนอนทั้งวันทั้งคืนไม่ตื่นเลยฮะพวกนี้พวกเหลือเกินนู่นนี่ถ้าจะทำความเพียนนั้นมันเหลือเกินถ้าจะทำความเพียนนั้นมันเหลือเกินนะถ้านอนค้าวข้าวทั้งมันจนจะไปปลูกมากินข้าวอยู่ยาสงสัยว่าเราจะไปปลูกเลยมีแต่ค้ออนฟาดไป อย่าว่าเลยดีไม่ดีก็กูศลาให้เลยย่าว่าเลยนัเหนือมันเหลือเกินอันนั้นอันนั้นเหนือไม่เหลือกินฮะพี่นายเนี่ยมันเปล้านล้าล้านอย่าว่าเลยถ้านับมาเท่าไหร่ก็โลกนี้มีมาตั้งไหงฮะพี่นายกใครไปนับต้นของโลกของสมุดอันนี้มาพระพุทธเจ้าทํากับโลกให้มามาด้วยกันอย่าว่าเลตั้งแต่นานเท่าไหร่ เมื่อองค์หนึ่งจัดทะลุได้แล้วองค์ที่สองทำไมไม่ได้องค์ที่สามทำไมไม่ได้เมื่ออริยสัจนี้เป็นของจริงแล้วทําไมผู้มาลูดของจริงนี้จะรุ่มไม่ได้มาเมอพระพุทธเจ้ารู้ของจริงสาวกทั้งหลายรู้ของจริงตามพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเหลอเป็นผ่านได้ยังไงถ้ารู้ของจริงตามพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าผูกขัดเฉพาะพระองค์หรืออริยสัจสีเนี่ยอริยสีนี้เป็นธรรมชาติที่กันกรองจิตให้บริสุทธิ์เอาฟาลงไปตรงนี้ทีให้มันเห็นนี่วะเออเอาลงนี้แล้วยอมราบเลยือ แล้วนี่ใครจะว่าว่าบ้ากบ้าเถอะนะเราพร้อมที่จะเราจะเป็นบ้าแต่ตามคําพูดของเขาแต่ใจของเรามันไม่บ้า น, นบ้ากับจังมันสิมันเป็นเรื่องของเราต่างหากนี่ก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครอยู่เหมือนกันนี่ว่าขึ้นอยู่อะไรกับลมปากของคนไปใหญ่ไม่ได้พูดป้ายใหญ่เยนองมันคันฟันนยู่นะนเหลือเกินนี่วะโทถวะ เอาความถนัดเข้าไปคืนพระพุทธเจ้านี่นะให้มีองค์เดียวหรือไม่มีมีแต่เราคนเดียวนี่หรือผู้ที่ถนัดนี่เหรื อ, อ, อถ้ามันเห็นของความจริงหรือสิงหัวใจเนี่ยอะไรจะไปเหมือนอืมจิตวิสัยโอ้โหอิตวิสัยขอให้มันถ่านนอกสมมุติไปหรสิวะเอะ อะไรจะเป็นอจินใจ ย, ยิ่งกว่าจิตที่ผ่านนอกสมมติไปแล้วอะล่ะโ อ, อ